มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจะตุทธวัคเอกโตภาวาคตะปัญหาที่สองถามว่า จะเอาธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นปนเข้าด้วยกันแล้วแจกออกไปว่าสิ่งนั้นเป็นผัสสะเป็นต้นจะได้หรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ฉลาดในอัฏฐาธิบายพระผู้เป็นเจ้าจะเอาธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น มาปนมรคนให้เป็นอันเดียวกันเข้าแล้วจะบัญญัติจัดแจงแบ่งปันให้ประกอบด้วยเหตุต่างๆว่าอายังสิ่งนี้เป็นผัสโสสิ่งนี้เป็นเวทนาสิ่งนี้เป็นสัญญาสิ่งนี้เป็นเจตนาสิ่งนี้เป็นวิญญาณสิ่งนี้เป็นวิตกสิ่งนี้เป็นวิจารณ์อย่างนี้จะได้หรือไม่ได้พระนาคเษนผู้วิเศษจึงแก้ไขว่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิสาธิบดีซึ่งจะให้อัตมาเอาทำทั้งหลายนี้กระทำให้เป็นอันเดียวเป็นบทเดียวกันเข้าแล้วและจะให้แจกออกไปว่าสิ่งนี้เป็นผัสโสสิ่งนี้เป็นเวทนาสิ่งนี้เป็นสัญญาสิ่งนี้เป็นเจตนาสิ่งนี้เป็นวิญญาณสิ่งนี้เป็นวิตกสิ่งนี้เป็นวิจาร จะให้กระทําหลุดกระแสรพระราชองค์การนี้อัตมากระทําไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าโยมอรัธนาพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดพ่อครัวของบรมกษัตราย์ธิราชพระองค์หนึ่งและพ่อครัวนั้นไซ อยู่สังวาระสังวาเมื่อจะแต่งเครื่องกริยาหารจิงแกงบ้างยำบ้างย่อมใส่ลงททิงปิซึ่งทัทิก็ดีโลนังปิซึ่งเกลือก็ดีสิงฆะเวรังปิซึ่งขิงก็ดีชีระกังปิซึ่งผักชีก็ดีมริจังปิซึ่งพริกก็ดีอัญญานิอุปการานิซึ่งเครื่องปรุงอื่นอีกก็ดี กระทำเป็นแกงกระทำเป็นยำสำเร็จสุกแล้วใส่เครื่องไปถวายสมเด็จบรมกษัตริย์สมเด็จบรมกษัตริย์จึงมีพระราชองคการตรัสบังคับพ่อครัวว่าแกงนี้ท่านตกแต่งเครื่องปรุงปนกันเป็นอันมากเป็นมรสอันเดียวกันที่นี้ท่านจงจัดคัดซึ่งแกงนี้ให้ปรากฏออกให้เป็นมรสต่างๆพึงชี้แจงว่า สิ่งนี้ในแกงคือรสทัติสิ่งนั้นคือรสเกลืออย่าให้เจียกันสิ่งนี้คือรสพริกสิ่งนั้นคือรสขิงหัวหอมผักชีสารพัดท่านจงคัดมาให้แก่เราประการหนึ่งเล่าซึ่งขนมของหวานนี้ท่านจงคัดรสให้กระจัดออกว่ารสนี้รสน้ำผึ้งนี่รสน้ำตาลนี่รสถั่วนี่รสงา ท่านจงคัดเอารถนั้นออกมาแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งชี้แจงสำแดงให้แก่เราให้ได้พ่อครัวนั้นก็จนใจไม่อาจจะคัดออกได้ขอถวายพระพรเหมือนบ่อพิษพระราชสมภ า, ารกรณีแหละจะเอารถเจ็ดประการมาปนมรคนเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วจะกลับคัดรถนั้นให้กระจัดออกว่าอีทางสิ่งนี้อัมพิรตต่างวาเป็นรถเปรี้ยก็ดี และวณัตตังวาสิ่งนี้เป็นรสเค็มติติกาตังวาสิ่งนี้เป็นรสขมกตุกัตังวาสิ่งนี้เป็น ร, รสเผ็ดกษายัตังวาสิ่งนี้เป็นรสฝาดมัทุระตังวาสิ่งนี้เป็นรสหวานก็ดีสมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารจะชี้แจงออกได้หรือประการใดสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินเลิศกษัต ร, ริย์ว่า ไม่ได้รถเจ็ดประการปนกันแล้วก็เป็นรถอันเดียวกันจะคัดให้กระจัดออกไม่ได้พระนาคเสน จ, จิงถวายพระพรว่าความเปรียบนี้ฉันใดซึ่งมีพระราชะองค์การจะให้เอาทาทั้งหลายมีผัสโสเป็นต้นมาปนเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วจะให้กลับคัดออกมาว่าสิ่งนี้คือผัสโสสิ่งนี้คือเวทนาเป็นต้นก็จนอยู่เหมือนกัน มิอาจจะกระทำได้ขอถวายพระพรครั้งนั้นพระนาคเษน จ, จึงถวายพระพรถามต่อไปว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งจะว่าเกลือนนี้จักขวินใหญยะรู้ด้วยจักขุหรือเป็นประการใดนะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การรับคำพระนาคเษนผู้เป็นเจ้าว่ารู้ด้วยจักขุ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าสุตุขโขมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งมีพระราชองค์การตรัสว่ารู้จักเกลือด้วยจักษุนั้นตรัสให้จงดีสมเด็จพระเจ้ามิเินปินกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนผู้เป็นเจ้าเข้าใจว่า รู้รสเกลือด้วยชิวหาหรือประการใดพระนาคเษดมรัฐ ร, ราชาองค์การไปว่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชาสมภารผู้เป็นใหญ่กว่าฝูงประชาเอออาตมาว่าบุคคลจะรู้รสเกลือด้วยชิวหาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลจะรู้ว่ารสเกลือทั้งนี้ด้วยชิวหามั่นคงแล้วหรือ พระนาเคเกษนรับคำว่าบุคคลจะรู้ว่าเกลือทั้งสิ้นด้วยชิวหามั่นคงขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรจึงตรัสว่าถ้าว่าบุคคลรู้ว่าเกลือทั้งสิ้นด้วยลิ้นชิมเข้าดูแล้วถ้าว่าเขาเอาเกวียนไปบรรทุกมาตกว่าไม่เชื่อตาจะเอาชิวหานั้นเที่ยวชิมไปซึ่งเกลือทั้งเล่มเกวียนนั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่า เกลียนเกลือนั้นเขานำมาเข็นมาด้วยโคอันมีกําลังจึงไปนํามาได้ก็บุคคลที่รู้จักเกลือด้วยลิ้นจะเอาลิ้นไปเข็นเอาเกลือนาเอาเกลียนเกลือมาได้หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนเถระมีวาจาตอบไปว่าลิ้นขดนี้จะไปเข็นเอาเกวียนเกลือมาหาอย่างธรรมเนียมหาไม่ได้เหตุว่าพระองค์ถามรวมปนกันว่า เกลือทั้งเล่มเกวียนลิ้นมือจะเฝ้าชิมไปได้ลิ้นมือจะเข็นเกวียนเกลือไปได้อาศัยว่าให้ผิดให้ต่างไปมิให้ถูกต้องด้วยพระอภิธรรมอาตมาจะถามมาหาบพิตรบ้างบุคคลจะช่างเกลือทั้งสิ้นจะได้หรือไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายเขาก็ช่างได้สิ้น หรือพระผู้เป็นเจ้าว่าช่างไม่ได้เล่าก็ให้ว่ามาพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารอาตมานี้เห็นว่าซึ่งเขาจะช่างสิ่งของทั้งปวงก็ช่างที่ควรจะช่างได้และจะช่างเกลือนีสัยให้หมดทั้งเล่มเกวียนนี้ก็เห็นจะช้าหาบุคคลช่างไม่ได้ใช่กิจใช่าการปริยปานดุดจิวหา ไม่อาจจะนำมาเข็นมาซึ่งเกลือทั้งเล่มเกวียนนั้นได้ฉันใดก็ดีซึ่งมีพระราชองค์การให้อัตมาประมวลซึ่งทำทั้งหลายคือผัสโสเวทนาเป็นอาทิประมวลเข้าเป็นภาวะสิ่งเดียวกันแล้วจะให้กลับคัดออกมาว่าทำสิ่งนี้เป็นผัสโสเป็นเวทนาเป็นอาทินั้นก็เหมือนกันกันกบเกลืออันบรรทุกอยู่ในเกวียน และเปรียบให้เอาชิวหานำไปเข็นซึ่งเกียนนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงสดับก็โสมนัสตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วเอกโตภาวะคตะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้และซึ่งวิสัชนามาด้วยปัญหานับแต่ปัญหาเดิม ซึ่งพระนาคเสนกับพระเจ้ากรุงมิลินถามแก้ไขกันมาตราบเท่าถึงเอกโตภาวะคตะปัญหานี้เรียกว่ามาหาปัญหาจบเท่านี้